บุกทูส ah ี ah ่สสองบบการเที่ยวเมืองเฉลาติลเฟิร์ฟัดกะเฉลาติลเฟิร์ฟัดกะตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันศุกร์ตลาดเปิดทุोวั र व น व ा र ी र ์ा้านาจาร์ชัลลูต์คงานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะวันเสาร์จัตุรัชัลลูอัษต์ค่ะวันเนิทศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ म ันจันทร์พ र ดรสชนชัลลูอัษต์ค่ะวัน र ัน्ร์พรลลูอั สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะบุ ধ วันรีป र าณีสังขาราเเปรลอตกพิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะวัตถุสังขาราเลือกุรอวารีอेกรเรืออัศเตกาวัตถุสังขาราเลือกุรุกหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ ชि त ् र าลันศุกร์วารีอุกราอสติกาสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ इथे छ ิ์ฉายาชิตร์เกณฑ์ชีพรวันกีอาเฮก้าाิทธิ์ฉายาชิตร์เกณฑ์ชีพรวัต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะประวิ श ชุลค์กับบรรวา त ो का ปริเวชชุลกบราวาลักโตกะข้าผ่านประตูราคาเท่าไรคะปร่ค่ะคิดตียะเฮปริเชชุลกะิตีเมีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะสมุหันสัตยสูตรอะเฮสหัูตะกมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ มูลนิธิสูตรอมูลนิธิสูตรอาไรคะมีสวนรถสำหรับนักศึกษาไหมคะวิทยาลั थ สัाย์สูตรอะไรคะाิทยาลสาธิสูตรอะไรคะนั่นตึกอะไรคะที่อิมาร์ต त, त ी่ ह ेะที่อิมาร์ตก่ตีอ ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะฮีอิมารัตคิดี่จุนิามารคิดีเียใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะฮีอิมารัตโนีบันดลฮิมาร์ตบัดลดิฉันสนใจในสถาปัตยกรมมาารมมล่าวัตถुเคล็ดโชิอาเฮมล व ाสตุคเลตรูชิยาเห่ดิฉันสนใจในศิลปกรรม म ลักคเลตรูชิยาเห่มล่าคเลตร ह ชดิฉันสนใจในจิตกรรม म ล่าช त ตรคเลล่าชเลต च ู